1.2 สองเรื่องเกี่ยวกับทานที่ควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องทานที่ควรพูดถึงอีกอย่างก็คือสังฆทานสังฆทานคือการให้สงหรือส่วนรวมพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่ามีผลมากกว่าปาฏิบุตริยกทานคือการให้เจาะจงบุคคลชาวพืชส่วนมากยังไม่เคยเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสังฆทานคือเข้าใจไปว่า การเตรียมของใส่ถังแล้วนําไปถวายพระสงฆ์สีรูปกล่าวคําถวายตามแบบสังฆทานจึงจะเป็นสังฆทานความจริงแล้วนั่นเป็นเพียงพิธีการพิธีกรรมเท่านั้นสังฆทานที่แท้จริงคือการถวายของแก่พระสงฆ์หรือสมเด็รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปก็ได้ไม่กําหนดจํานวนโดยไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลว่าต้องเป็นผู้นั้นผู้นี้เช่น ใส่บาตรตอนเช้าโดยไม่เจาะจงพระรูปใดมาก็ถวายรูปนั้นแม้เพียงรูปเดียวก็เป็นสังฆทานถ้าไปที่วัดก็ไปหาเจ้าหน้าที่สงขอให้ท่านจัดพระให้เพื่อรับสังฆทานเจ้าหน้าที่สงจัดรูปใดก็ถวายไปตามนั้นทําใจให้มุ่งตรงต่อสงเป็นส่วนรวมนี่คือสังฆทานสังฆทานทายาก ตรงที่ทำใจให้อยู่ในอุเบกขาได้ยากใจของเราคอยจะยินดียินร้ายต่อพระภิกษุสั ม, มเดชที่เราจะทำบุญด้วยเรื่อยไปเมื่อยินดีหรือไม่ยินดีต่อผู้ที่เราชอบหรือไม่ชอบความเป็นสังฆทานก็เสียไปลดลงมาเป็นปาติบุคคลิกทานพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ในทักินาวิพังกสูตรว่า ปาติบุคคลิกฐานจะมีอานิสงฆ์มากกว่าสังฆทานไม่ได้เลยไม่ว่าโดยปริยายใดๆทั้งนี้เพราะการดำรงอยู่แห่งสงฆ์โดยรวมนั้นเป็นเหตุแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาหรือพระศัทธธรรมพระศัทธธรรมดำรงอยู่ยั่งยืนเท่าใดก็เป็นประโยชน์สูขแก่มวลมนุษย์เท่านั้นดังบาลีว่าสัพเพสังสหิโตโหติสัทธธรรมโมสุปติทิโต แต่การเลื่อมสายส่วนบุคคล น, นั้นมีทั้งคุณและโทษเจือกันอยู่อัทธกถาทักษีนาวิพังกสูตรเล่าว่าอุบาสกคนหนึ่งนิมนต์พระจากสงฆ์ไปถวายสังฆทานได้พระทูศสินรูปหนึ่งไปอุบาสกทราบแล้วว่าเป็นพระทูศสินแต่ด้วยความเคารพในสงฆ์จึงปฏิบัติต่อภิกษุรูปนั้นด้วยความเคารพนอบน้อมเสมือนปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้า แล้วถวายทานตกตอนเย็นภิกษุรูปนั้นเห็นอุบาสกเป็นคนศรัทธาเลื่อมใสเคารพนอบน้อมดีจึงกลับไปขอยืมจอบเพื่อทำความสะอาดวัดอุบาสกได้เอาเท้าเขี่ยให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งหลายถามเหตุผลที่ทำเช่นนั้นอุบาสกอธิบายให้ฟังว่าเมื่อเช้าปรนิบัิพระรูปนั้นดีเพออราะเคารพยางเกรงในสง แต่ตอนเย็นพระทูตศินรูปนั้นมาในนามข้างตนเองจึงไม่ต้องเคารพเพราะเขาเป็นคนทุศีล น, นี่คือความเข้าใจในเรื่องสังฆทานของอุบาสกผู้นับถือพุทธศาสนาผู้รับสังฆทานควรเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้มีศีลธรรมดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับทานที่ทายกทำอุทิศให้ผู้ตายเพื่อได้สงเคราะห์ทั้งผู้ทายก และผู้ที่ทายกอุทิศให้ในอัตถกถาทักษีนาวิพังกสูตรท่านเล่าไว้ว่าพรานเนื้อผู้หนึ่งทําบุญอุทิศให้ผู้ตายแต่ภิกษุผู้รับทานเป็นผู้ทูศีลทำสองครั้งผู้ตายไม่ได้รับพอครั้งที่สามอมนุษย์คือผู้ที่พรานเนื้อทําบุญอุทิศให้นั่นเองร้องขึ้นว่าคนทุศีลปล้นเขา พลานเนื้อจึงทำบุญกับภิกษุผู้มีศีลในครั้งที่สอามนุษย์จึงได้รับและอนุโมทนาคือแสดงความยินดีผู้ทุศีลคือไร้ศีลไ ร, ร้ธรรมรับปัจจัยทยธรรมหรือของทำบุญถือเป็นการปล้นกันทีเดียวท่านถือเป็นไถยะบริโภคคือบริโภคอย่างผู้ขโมยควรระวังกันให้มากไม่ควรเห็นเป็นทางได้แล้วรีบตะครุบเอา เพราะเป็นบาปนำตนไปสู่อบายได้ดังข้อความที่ว่าการบวดที่ย่อหย่อนมีแต่จะเกลียดโทษลงสู่ตนและศาสนาความชั่วไม่ทำเฉลยดีกว่าเพราะตามแผดเผาในภายหลังได้ความดีทำไว้ดีกว่าเพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังหญ้าคมบางเช่นหญ้าคาที่จับไม่ดีดึงมามันอาจบาดมือได้ฉันใด ความเป็นสมณะที่เข้าไปเกี่ยวข้องของไม่ดีก็ฉันนั้นสามารถดึงลงนรกได้สามอย่างต่อไปนี้ไม่มีผลมากคือ 1. การงานที่ย่อหย่อน 2. ข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมอง 3. การประพฤติพรหมจรรย์ที่รู้สึกกินแหน่งตนเองเป็นคำของตายนะเทพบุตรผู้เคยเป็นเจ้ารัดที่มาก่อนมากราบทูลพระผู้มีพระภาค เมื่อราตรีล่วงไปแล้วพระศาสดาตรัสเล่าให้พิสูจนทั้งหลายฟังและตรัสให้ทรงจำท่องบวคาถาเหล่านี้เพราะเป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ในอัตถกถาทักขินาวิพังคสูตรมัชชิมานิกายอุปริปันนาธท่านยกตัวอย่างอ น, นิสงค์ของสังฆทานไว้มากเช่นให้แก่พระโสดาบันแต่เป็นปาฏิบุคลิกาน อันนี้สงบน้อยกว่าให้แก่พระบุตรชนแต่เป็นสังฆทานให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปาติบุคลิกทานอันนี้สงบน้อยกว่าให้แก่ปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเป็นสังฆทานถามว่าเพราะเหตุไรคำตอบจะไปเข้าสู่ที่ว่าดูก่อนอาโ น, น์ปาติบุคลิกทานจะมีอันนี้สงมากกว่าสังฆทานไม่ได้เลยไม่ว่าโดยปริยายใดๆ รวมความว่าถ้าจะทำเป็นปาติบุคคิกทานหรือให้เจาะจงท่านสอนให้เลือกแล้วให้แต่ถ้าให้เป็นสังฆทานไม่ต้องเลือกบุคคลหรือสงฆ์ให้ทำใจมุ่งตรงต่อพระอริยสงฆ์ผู้รับทานนั้นเป็นเพียงตัวแทนของสงฆ์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือคนส่วนมากมุ่งแต่จะให้ทานแก่ผู้มีศีลมีธรรมแต่ไม่ค่อยปรับปรุงตัวเองให้มีศีลมีธรรม ต้องการแต่จะพึ่งบุญของท่านผู้มีศีลมีธรรมข้อนี้ไม่ผิดพระพุทธพจน์มีว่าการให้แก่ท่านผู้มีศีลย่อมมีผลมากการให้แก่ผู้ทุศีลหามีผลเช่นนั้นไม่แต่ที่ดีกว่านั้นก็คืออบรมตนให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเสียเองทานของผู้เช่นนั้นย่อมมีผลมากพระพุทธพุทธพจน์มีว่าทานของผู้มีศีลย่อมมีผลมาก ยิ่งมีคุณธรรมสูงมากเท่าใดทานของผู้นั้นก็ย e like ่อมมีผลมากเท่านั้นท่านยกตัวอย่างโดยตั้งคำถามว่าทานที่พระสารีบุตรถวายแก่พระพุทธเจ้ากับทานที่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระสารีบุตรอย่างไหนมีผลมากกว่าท่านตอบว่าทานที่พระพุทธเจ้าถวายแก่พระสารีบุตรมีผลมากกว่าเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมสูงกว่าพระสารีบุตร นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีคุณธรรมสูงให้ทานใดทานนั้นมีผลมากถ้าผู้ให้มีศีลธรรมดีผู้รับก็มีศีลธรรมดีทานย่อมีผลมากแต่ถ้าผู้ให้ไม่มีศีลธรรมผู้รับมีศีลธรรมดีกับผู้ให้มีศีลธรรมดีผู้รับเป็นผู้มีศีลธรรมไม่ดีอย่างไหนจะมีผลมากกว่า ในกรณีที่เป็นปาติบุคคลิกานเหมือนกันตอบว่าผู้ให้มีศีลธรรมดีได้ผลมากกว่ายกตัวอย่างว่าเหมือนชาวนาผู้ฉลาดแม้จะปลูกข้าวในนาที่ไม่ค่อยดีแต่มีวิธีจัดการดีพันข้าวดีย่อมได้ข้าวดีกว่านาของบุคคลที่แม้ได้นาดีแต่จัดการไม่ดีฉันใดผู้มีศีลแม้ให้ทานในผู้ทูตศีล ย่มีผลมากฉันนั้นดังบาลีว่าเอวางศีลวาทุศีลัสสะทัตวาปิพลังมหันตังอธิคัตชติโดยในนี้จะเห็นว่าการทาตนให้ดีการอบรมตนให้มีศีลธรรมหรือมีคุณธรรมสูงนั้นสาคัญกว่าการให้ทานในผู้มีศีลเสียอีกเพราะโดยหลักแห่งพุทธศาสนาศีลมีผลมากกว่าสูงกว่าทานอยู่แล้ว แต่เราต้องมีเองไม่ใช่เกณฑ์หรือเพียงแต่เรียกร้องสนับสนุนให้ผู้อื่นมีเพื่อขอแบ่งบุญจากเข้าถ่ายเดียวพึงพิจารณาดูพระพุทธพจน์ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับกูตะทรรมตะพราหมในทีขณิกายสีละขันธวั์ดังนี้การบำเพ็ญคุณงามความดีซึ่งใช้ทรัพย์น้อยมีการตระเตรียมน้อยแต่ได้ผลมากโดยลำดับคือ 1. การให้ทานเป็นยศ อุทิศท่านผู้มีศีล 2. การสร้างที่อยู่อาศัยอุทิศสงฆ์ซึ่งจอมาจากสีทิศสามไตรสรณาคมคือการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งหรือแสงสว่างนำทางชีวิต 4. การรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ 5. การออกบวช ด, ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลของบรรพชิตในเวลามสูตร พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีถึงอานิสง์ของทานและบุญซึ่งลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากกว่าโดยลำดับดังนี้หนึ่งการให้มหาทานแกโลกียะมหาชนอย่างที่เวลามะพรามเคยทำมาคือพระองค์เองสมัยเป็นเวลามะพรามสมัยนั้นไม่ได้ใครเป็นทักษีนายบุคคลเลยมหาทานเช่นนั้น สู้การถวายทานแก่พระโสดาบันผู้เดียวไม่ได้ถวายแก่พระโสดาบันจํานวนหนึ่งรสู้ถวายแก่พระสกทาคามีผู้เดียวไม่ได้พระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระละหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในทํานองเดียวกันจนถึงทานที่ถวายสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมียนิสง์มากที่สุดคือเป็นสังฆทาน 2. การสร้างเสนาสนะถวายสมซึ่งจรมาจากสีทิศมีผลมากกว่าข้อหนึ่งสการมีจิตเลื่อมใสถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะมีผลมากกว่าข้อสองสการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มีผลมากกว่าข้ อ, รรอส 5. การเจริญเมตตาจิตแม้เพียงช่วยเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าข้อ4 6. การเจริญอ น, นิจจสัญญาคือการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงมีผลมากกว่าข้อห้าการเจริญเมตตานั้นแบ่งแห่งว่าชั่วเวลาช้างพับหูงูแลบลิ้นไก่ปลบปีกหรือชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็มีอ น, นิสง์มากแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าธรรมมากท่านผู้อ่านลองพิเคราะห์ดูว่าเหตุไรพระพุทธองค์ทร ง, งแสดงว่า การเจริญเมตตาชั่วยะเวลาเล็กน้อยและการเจริญอนิจจสัญญาพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงมีผลมีอนิสงส์มากกว่าการถวายมหาทานอันโอลานแม้มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมากกว่าการถึงพระรัตนตรยัยและการรักษาสีล์ห้าเหตุผลก็คือการเจริญเมตตาเป็นสมถะภาวนา การเจริญอนิจจสัญญาเป็นวิปัสนาภาวนาทั้งสองนี้เมื่อทำบ่อยเข้าจนได้ฌานซึ่งมีเมตตาเป็นอารมณ์ก็จะได้อนิสงส์เป็นอันมากเช่นอนิสงส์ของเมตตาเจโตวิมุตติสิออย่างมีการไปเกิดในพรหมโลกเป็นที่สุดส่วนอนิจจสัญญาอันเป็นวิปัสนาภาวนานั้นเมื่อทำบ่อยเข้าย่อมเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนได้วิปาาัสนาญา สามารถละกิเลสเข้าสู่อริยภูมิได้ดีกว่าวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดมีความทุกข์ยืดเยื้อเรื้อรังมีคติไม่แน่นอนสูงสู ง, สงต่ำตำ่อยู่ในสุขติภูมิบ้างทุกติภูมิบ้างมีพระพุทธพจน์บางแห่งแสดงว่าการให้ข้าวน้ำเป็นการให้กําลังให้ผ้าเท่ากับให้ผิวพันให้ยานพาหนะเท่ากับให้ความสุข ให้ประทีปเท่ากับให้จากสุให้ที่อยู่อาศัยเท่ากับให้ทุกอย่างผู้ใดสอนธรรมผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งไม่ตายหรืออมะตะซึ่งบาลีว่าอมะตันทะโทจจโสโหติโยธรรมะมนุษาสติด้วยเหตุนี้กระมังชาวพุทธจึงนิยมสร้างเสนาสนท า, านกันมากเนื่องด้วยการชักชวนของพระสงฆ์ด้วยเหมือนกัน ในพระสูตรทั้งหลายก็ได้สรรเสริญเสนาสนะทานไว้มากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าและมีผลมีอ น, นิสงส์มากกว่าดังกล่าวแล้วตามเรื่องที่กล่าวมานี้จะเห็นทัศนคติทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบำเพ็ญคุณงามความดีว่ามุ่งเอาการพัฒนาตนให้ดีเป็นสำคัญกว่าอย่างอื่นทาต่างๆกิจกรรมต่างๆ มีไว้เพื่อเป็นอุปการะหรืออุปกรณ์ในการพัฒนาตนเท่านั้นการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างนั้นพระธัคาจารณ์อธิบายว่าเมื่อออกไปภายนอกถูกแดดถูกลมทําให้ร่างกายอ่อนเพลียพอเข้ามาอยู่ในเสนาสนะที่ดีทาให้มีกำลังขึ้นชื่อว่าให้กำลังอยู่ภายนอกที่อยู่อาศัยถ้าถูกแดดถูกลมจัด จักษุย่อมพลาดมองไม่ชัดเมื่ออยู่ในเสนาสนะอันแสงสว่างพอดีทําให้จกักษุแจ่มใสการให้ที่อยูจยจย่จึงเท่ากับการให้จกักษุบุคคลย่อมมีความสุขสบายเมื่อได้อยู่ในเสนาสนะอันเป็นสัปปายะคือเหมาะสมแก่ความต้องการของร่างกายการให้ที่อยู่จึงเท่ากับให้ความสุขเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า การให้ที่อยู่อาศัยเท่ากับการให้ทุกอย่างคือกำลังผิวพันธุ์จักสุและความสุขแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นไปในวัฏฏะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องทุกข์บ่อยๆมีความเกิดเป็นต้นทางความตายเป็นปลายทางระหว่างนั้นก็มีความทุกข์ทมานัดเศร้าโศกเสียใจพิรายรำพันรับแค้นใจเป็นต้นเหลือที่จะพัฒ น, นาได้ ต้องได้ธรรมคือนิพพานธรรมจึงไม่ต้องตายอีกเพราะไม่ต้องเกิดอีกผู้ให้ธรรมจึงชื่อว่าให้อมตะคือสิ่งไม่ตายผู้มีปัญญามากอย่างเช่นพระสารีบุตรได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิจึงสามารถบรรลุธรรมได้ไม่สามารถบรรลุได้โดยลำพังตนเองปัจเจ ก, กภูมิและพุทธภูมิเท่านั้นจึงสามารถบรรลุธรรมด้วยตนเองได้ ชาวพุทธจึงควรหมั่นศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมเนืองๆ เ, เกี่ยวกับเรื่องสังฆทานวิธีธรรมและอา น, นิสงส์แห่งทานตามที่กล่าวมาโดยย่อ น, นี้เห็นว่าพอสมควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องทานแล้วจะได้เลื่อนไปพูดเรื่องอื่นบ้างความหมายแห่งสังฆทานนั้นในพระบาลีทันพุทธพจน์โดยมากเท่าที่พบท่านไม่ใช้คำว่าสังฆทานโดยตรง แต่ท่านจะใช้คำว่าสังฆคตาทักสินาแปลาตามตัวว่าทักษินาที่ไปแล้วในสงฆ์หมายถึงของที่นำพามาทำบุญอุทิศสงฆ์ไม่เจาะจงบุคคลในทักสินาวิพังคสูตรซึ่งผู้เขียนอ้างถึงบ่อยๆก็ใช้คำนี้เหมือนกันทานเป็นของดีเป็นแหล่งเกิดแห่งความสุขอย่างหนึ่งทั้งผู้ให้และผู้รับ จะขอให้พุทธบริษัทของเราทำทานให้เป็นคืออย่าให้จนฟุ่มเฟือยกลายเป็นการทำลายเศรษฐกิจของชาติในนามของการทำบุญให้ถือหลักความพอดีเพราะความพอดีนั้นดีเสมอซึ่งบาลีว่ามัตตันยุตาสะทาสาธุขอให้เราลือกถึงความจำเป็นของผู้รับและความสมควรแก่ผู้รับมากกว่าผลที่เราผู้ให้จะได้รับเอง ถ้าทำในลักษณะนี้จะเกิดความพอดีขึ้นในการทำบุญให้ทานทุกอย่างผลดีย่อมตกแก่ทุกฝ่าย